พระธรรมเทศนามโหสดจรรดกจอมปราแทงมิถิลาภูตีสิบสามฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปายุชาลาดเรียบเรียงใบจากต้นฉบับปืนเมืองโดยป่ออินสมชัยชมพูปเปรียนทาหกประโยคนักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮ้นโม สาพพากวโตระโตสมาสมพุทธัสสะตตาเสนากราจารนิวามาติ สาธุด no <c oughs> ุราสปุริสาตั้งลายตั้งยิงใจใหญ่น้อยใจไฟห้อยกุศลละการตนมวนหมูอันมีโยเกีายห้าปกันมาแต่เจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจมติดต่อ ตามบาดคอบาลีว่าตาตาเซนาโกดังนี้เป็นต้นติดสืบสนตววไปบัดนี้เดเตอตาตาในกาละนั้นเล่าเมื่อนอพระเจ้าหยอดมูนีได้ละนีละภาคลงไปจากหัวใจ อาจารย์จังไรบาปเ้าคือปู่เทาเสนาคาอาจารย์ก่อทุนสารขับไว้ึ่งเต้าไทยวิเทหราชว่าแต่เดิ ม, มาตูขคาบอกเจ้าฟ้าผู้มีว่ามโหสถเสนาบอดีนั่นใสมาหนใหญ่เดือลาย มันเกิดหมาเป็นเต้าพาแผ่นดาวราธานีเจ้าปุรียอดซอยบ่อเจือถอยทุนสาบิ น, นาแจ้งทีบ่อมีตีสงสัยเจ้าหอใจวีเตหราชฟังเสนากานั ก, ก, ากผาดจกใครมีหอระไทยไว้วันสะต้านสันเววา บอ่อปิจารณาแจ้งทีเฮือมบนตีตามทมจริงใครกำมทมเราเสึ่งนักพ่าเท่าจังไรหวาเนี่ยสันใดนันใสเือเราได้สดสดีเท่ากาลีตอบทอยว่าขอเต้ายอดซอยเร็วไว้อย่ารอไปเนินจ้าฮือรีบฆ่าตัวมัน อย่าฮือไฟหันและหูเดียวคนจักอู่เตียนควันเจ้าหอดจันวิเตหราจริงโอกาสกำไปว่าบ่บีไฟแต่เราเว้นแต่เจ้าอาจารย์อาจกะตำการอันใหญ่ฮือเมียนไขเรียวปันกันไขปั่นเมียนแล้วก็ยื่นดาบแก้วสัลีกันใจ คือเท่าจังไรบอดจ้าว่าตันจุงคาเซนาบอดีผูกกาลีมืดบอดคือมวยหมอดบาบายคือยามง่ายผูกเจ้ามันจะเข้ามาจู่ถึงประตูไปนอกจุงทอดดับออกบัดเดียวแล้วรีบเรียวฟันฝาดคือจีวิตขาดมราณา เท่าปาลาบ่อจ่ารับเอาดาบกาบัดเดียวแล้วรีเร็วกรมเก่าลาเต้าเจ้าปุรีปามูนีกาภากลงมาจากขอใจ เกยเตี่ยวไปรอดไก่ตีทังเข้าใหญ่เคยหันก่อปะกันลงนั่งเปื่อหยอบยังเปึกษายังการนานาหน่อยใหญ่ฮื้อสมไฟดังคานิ่งต่างเอาหลังอิงทางเข้าอันตัวเจ้าบุญมีเอาตนนี้ลี่ซอนอยู่ในบนลไปในเท่าจังไรบาปเ้าคือนักผาดเก้าเสนากะ อาจารย์มันจะนานกว่ามัวคิดขวัดหัวหลายอันก็เอามือมันต่อยเหล่ายังทางเข้าหลายตีว่าร้อยเสนาบอดีริซอน อยู่ในบอนไปในเจ้าหมูไข่เก่าว่ามันบ่ยูดีลีมันเป็นเสนาบ่ดียดใหญ่บ่หอนใดมานอนกลางดินดอนฝุ่นยามันพากนาหนีไปยามตาวันใสตกต่ำนกน่อยพำมหากนบัดนี้มันนอนวันกอด ยังนางยอดเมียมันเข้าจากันปลายนาวภัยจักขาเสนาโบดีตามเจ้าปุรียศใหญ่ได้สั่งไว้เป็นไม้ว่าถึงยำง่ายผูกเจ้าเมื่อมันเข้ามาจูถึงพระตูยาเจ้าือรีบคาแต่งฟันเขาจากันต่อท้อย มีบ่อน้อยหลายภากการตังเสนากาอาจารย์ผู้เท่าขานยังเจ้านอปทิญานเสนากาอาจารย์ผู้ใบก็คำรับใดบัดเดียว แล้วจะเลียวทำเลาว่าจุมสู่เจ้าตั้งสามตามเต้าทำแต่กี่ว่ากำลับลี่ในใจควรจักไข่เก่าค <c oughs> ือแก่ผู้ได้จ้าสู่ได้จ่าต่อเต้าว่ากวรจักเก่าจักไขแ่แก่ใส่ใจปีน้องอันเกิดรวมต้องเดียวมา <c oughs> แกบุตาลูกเตา้าแกแม่เจ้าจอมวันสูได้หันแต่ไทยหรือว่าไดกติมมาจุงไรจาะกาะหือกูฮูอาการสามอาจารย์ใจถอยก็ตอบถอยกำไปว่าตัวอาจารย์ใรขน่อมไว้ บอกเก้าไทยปาราว่ากวรใครจากเก้าอู้ือสหายหูตามีเป็นวาตีแต่ไทยหรืออาจารย์ใดกตมาอาจารย์ดั่นนาเป็นเก้าจุงบอกเล่าหัวตีตูยินดีจากอู้ือใดหูทัดไป ทอาจังไรบอกหมู่ว่าจุงดักอยู่ดาฟังมีแม่กำลังคนหนึ่งเล่าพงดุมเนาโสภามีลักขานาวิลา ด, ดังดังนาสาวสาวันสูญย่อมพันจูผู้คือย่อมหูจำหมยบัดนี้มันหายหลีกลี <c oughs> ไปอยู่ตีแดนได้สามอาจาย์ไครต่อถอยว่าสาวอ่อนน้อยโสภาใดหายตาพระนาไปเดินจ่าดีลีโบว์ว่าวีลีซ่อนไปอยู่บนแดนได้เท่าจังไรหาาหาดคือเสนากานักผาตอาจารย์ ก็จะขานเล่าต่อว่าเราปานอนารีไปสนุกยินดีรวมซ้อนอยู่ในบ่นวิญญาณนางมีอาลังการลายหลากย่อมกามากนานำโลภอําเมืด่อดเราบอกึ่ดรอดอบาใได้คานางตายลาไว้เอาเรื่องใจนางมา คือมกดาสายซอยแวนสายกอยสังวานย่อมเจียงคานจูสิ่งมีกายิ่งจูอันอันเอาผาปั้นห่อไว้หอยกับไม่นาคาตันหอยตังวันลืมเหลาหือเป็นของเก่าเมิ่นานก่อยเอาของเจียงคานนั่นใส่ ออกมาใจใจตามใจข้าบอกใครก่าวหื้อไฟหูขีญ้าเต้าได้จ่าบอกเราแกเสียวเกาสาายมันก็หมยเมียดมันดักอยู่หันในใจบ่จะใครก่าวถอยแกคนใหญ่น้อยนิ่งใจกันเต้าบุญภายหูขาว เตียงขคดเฮานำนามีอาจยาปงขาดเฮือก้าก้อยกาดมารณนะแหลนาทัดนั้นไปแถมเหล่านักผัดเก่าป้ากูตาอาจารย์ก็จะคันบอกหมู่ฮือได้หูขี้ยา ว่าข้าขานีน่เป็นเพื่อนน้องเลือดเปือนเดือนลายส่วนน้องใจแห่งข้าก็เอาพามาปัน่นเปลี่ยนตั้งวันบอกขาดภัยบอกอาจสังกายามไปไว้สาตันเต้าตนผับเดาห่อใจเต้าคดไหลมาไกล สู่หากใดเคยหันตนหอจันเจ้าฟ้าเคยดุนขาตั้งวันว่าขาแห่งมันดูอ่อนเป็นดังตนสำลีติแต่เอาผ้าดีปั่นไว้ตนเต้าไทยบ่อสงสัยกันเจ้าหอใจได้หู ้าเตียงหมู่ผู่บำวายคาหันไหลดังนี้จริงเก่าจี้เป็นทราวกรรมรหัสนี่นาควรอือน้องใจหูตามมีและนะทัดนั้นไปแถมเหล่านักผัดเก่ากาบินตะอาจารย์ก็จะคานบอกหมูห่ได้หูขีญา <c oughs> ว่ากันเดือนดับมารอดไข่มีปีพียักษ์ใหญ่จิวานระเตวานยักษ์ขามาเข้ากาญญาแห่งขา้าเออปันบาเรร้นร้องลายหนติดต่อดังมาว่าพัดพันโลข้าหันและหัวก่อนนำเข้าสู่หอใน หับพาตัวไว้บอจ้าขังตัวคาบัดเหนียวแล้วรีบเรีวติเป่าเล่นม่หอระบเหล่านานาคนนำนามวนหมูมบอัอดหูและหันคาจริงไรปันน้อมไว้บอกเต้าไทยผาปารา ว่ากำราหัตนีนาะควรออหือลูกหฮตามีและนาทัศนันมาสุดซอยเตวินถอยอาจารย์ก็จะขานบอกหมูหือได้หัวตามีว่าแก้วมานีคณใหญ่แห่งเต้าไทห่อใจ หาหลักไปสุขสนไว้ในบอลเกหาบอกมันด้ฮือ ว, ว่าอย่าได้อูปันไัยยามจักไปไวเตาว้าต้นผาบดาวปุรีข้าพอแก่วมาดีลืมเหล่าฮือรัตสามีเข้าในตนจริงเตียวหนใหญ่บาด ขึ้นภาษาตรงกันเป็นนิรัน์บ่อผ่อนเต้าจริงตักข้าก่อนคนเดียวยำปอกเลี่ยวขึ้นสูยังตี้อยู่เกหา่าเต้ากอคุณนาบ่อขาดคือยกยืนราจะต้านอย่างเงินคำขานก้าใหญ่บ่อขาดใดวันใด ถ้าจริงใครก่าวหือได้หูขี้ยาว่ากำรหัดนี่นาคนเราแก่แม่เจ้าคนเดียวเลนะกำเขาจะแจ้งทีตั้งสี่จี้ปันกันหนอคุณท่านบุญใหญ่จำจิไว้จูพ่าการเสนาการอาจารย์บาปเศร้าก็บอกเล่าใครจ้า ว่าวันผูกนี้นะสู่เจ้าจุงมาแต่เจ้าเรียวฟันเปืือดดาฟันฟักหน่อยยังลูกใจถอยเสร็จที่คือมาโหสถดเสนาบดียดใหญ่มันไดมารดาต่างก็จามันแก่นรับคำเน้นจูภาการกันอาจารตั้งสี่ลุกจากที่นี่ไป ใจเตรียมใจแกว่ใจก่อนยกทังเข้าใหญ่บัดเดียวเจ้าก่อเร็วไปสู่ยังตีอยู่เกหาเสาวยโพจานะ่าลายสิ่งราสหญิงเอาใจเจ้าข้านิ่งในเกิดหูวว่านางกินกูอตุ้มปอนเตวี <c oughs> มาเฮสีนยดยาวเตียงทรงข่าวมาหาในคืนดีนะแนมนมหือหูสั้นความในจริงหือคนเตรียมใจแก่นใจเฝ้าอยู่กล้ผ้าตัวว่าจุงเฝ้าดูอย่าขาดอย่าย่ายบาดไปไหนกันมีไผกาผากออกมาจากผังกา กันมันมารอดไกลเฮสู่ใดเร็วปั่นนำตัวมันไปสู่ที่กูอยู่บัดเดียวกันจะเรียวเหมียนแลว้วเ <c oughs> จ้าหนอแก้วโปที่ญานก่อสำรานยั ง, ย, งย่อนอยู่ในบอนหอตนก็มีหันและนาะ ตาตาในกาละนันไซตนเตาไทายผู้บ้านพงสํสำรานยังจอดกับนางยอดอุตมปนเตวีเจ้าปูรียอดใหญ่คานิงไข่ไปมาปิดจารณ า, าลืมเล่าก็อหันคุณเจ้านอมูนีว่ามโหสถเสนาบดีนิไซ อายุใดเจ็ดปีพัญญาดีหลายหลากมาอุปถาตนกูมากำจูฮหือได้ปนไัยให ญ, ญ่นานาเทวดาธรรมปัญหาแถมเล่ากันบ่มีเจ้าเสนาบบนีมาไขวาตีเก่าแก่หื้มันแต่ตามไร กูเตียงไม้หมุบมู่บ่อได้อยู่เป็นคนบัดนี้ตนกูเต้าฟังคำเก่าวสีอาจารย์มาทุนสารสนโซ่กูใจหมอฟังคำกูได้กะต้ำคำหยาบอันเป็นบาปพฤกษาถึงบรรมาผูกเจ้าเตียงบ่อได้หันนาเจ้าเสนาบ่ดี เจ้าปูรีหยดใหญ่กึดเอาไม่ในใจเหือใข่ไหลย้อยหยาตร้อนไม่มาเววาฟื้น้ายขวาจะใจรับบ่อใดดังไมา้นางบุญภายหยดใหญ่ก่อหูใดในใจว่าเจ้าห่อใจโศกเศร้าตกไม่เอาจนจู จักถามดูฮือที่ฮือเสียงตีสังกาจริงทุนสาทำเล่าว่าข้าแด่เต้าเจ้าเหนือหัวอันว่าตัวเต้าไทยตุกเอาไม่สังจาหรือน้องนี่นามีตอดอันไร่โหดสันใด เจ้าหอใจวิเตหาราชก่อโอกาสไรจา่าเอราจาญยาหนุ่มเนาหูแต่เก้าถึงปลายนางบุญภายน้อยนาดก่อคดขวาดปิจารนาว่ากวรจักจาลมเล่าเฮอเต่าเจ้าเย็นใจตุกหายไปเสียงไข่ นอนลับใดสำราญก่อยแต้มสารไปอู่หือน้องเฮาฮูอาการนั่งนงค้นหยดจอยแสงเก่าถอยวะตีว่ามโหสดเสนาบอดีนั่นไส ต, น, ตนเต้าไทยผาปาราเลี้ยงมันมาแต่เก่าแต่หนุ่มเต่ายาวไว ดังลูกสายใจอ่อนน้อยบอ่อละปล่อยวางตำตั้งเงินคำหลยแลกก่อยื่นแพรตกปันตั้งฮือมันเป็นใหญ่ <c oughs> มีพร้อมไข่โจพาการป้อยใจหานหาเท้าจักขาเต้าบุญเรื่องจริงเอาเมืองแต่นแตนย่อมบอ่แม่นธรรมดา แม่เป็นบุตรตาเจ้าฝ้าก่อกวรขาดีดีเจ้าปุรีธิราชฟังนังนาจาญา <c oughs> ตุกเครื่องกาไม่มาด ก, ก่อก้อยกาไทายหนสป่ากังวนวนหมู่อันมีอยู่เดิมอ่อน ก็หายถอนกัดก้อยเต้าลวดมอแอลับไปนั่งองไวหยดยาวหูว่าเต้ารับดีก็ก้อยลูกนี่ลาผากลงมาจากจองนอนยินอาวอนร่อนไม่รีบแต้มใส่ลายสารถึงนอโปที่ยานห้อยนาด เฮือหูควาตามรายบทสุดปลายเก่าวจี้ฮือแจ้งทีขี้ยาว่ากันจักมาขับไปยังเต่าไทผาปราอย่าได้มาหยามเจ้าดังเมื่อเก่าวันอ่อนเอาเจ้านาคอนน้อยใหญ่เฮืออยู่ไต้เมื่อตนก้อยเตี้ยวห่นมาเฝ้า ยังเต่าเจ้ายามควายจักสมมมยกูเชื่อสมไฟเอื้อจูผาการกันเต็มสารเมี่ยนจอดนางแก้วหยอดคิงเล่าก็รีบเอายัดใส่ในห่อเข้าต้มใหญ่บัดเดียวแล้วรีบเรียวมัดขาดถือสะอาดดูดี เ อ, อตาสีหนุ่มเนานำไปส่งเจ้าสับปันนอคุณทันบุญใหญ่หูแจ้งไขไลายสารใ <c oughs> จเจบ้านจื่จ้อยก็อเฮข้าคอยตาสีรี ป, ปอกนี้คืนสู่ยังที่อยู่หอนางก็มีหันแลนะ ส่วนสีอาจารย์บาเสาลุกแต่เจ้าเรียวปันและอ้วปากันตั้งหมูมาซ่อนอยู่และดูตีพระตูเวียงใหญ่ถอดดับไว้ดาฟันถึงตาวันพดออกจุ่มเบกหมอกหายไปตาวันใสแจ้จงสององ่องไข่เขตทห้องอาณาคนนำนาหน่อยใหญ่ออกเาตาี้ยวไตพันาย อาจารย์ลายตั้งสีนาบอกกีขี่มองบ่อสมปองกึดขาดร้อนไม่มาดเววารีบไก่กาไปไหวเสึ่งเต้าไทยห่อคำเต้าไข่กำทำเล่าว่าอาจารย์เจ้าตั้งลายข้ามันตายละไว้หรือข้าบ่อใดสันใดเขาก็ไข่เกา เต่าหัวตามีกันยามดีมารอดตนเจ้ายอดคิงรามก็ขี่รถงามเล่มใหญ่คนแวดไกหลวงลายตั้งสะหายลายแลวังแวดแทเป็นปริวานตั้งโยทหารหนุ่มเทาวังแวดเฝ้าใญ่ๆ เขวียงใจบ่จ่าไปรอดนาโรงกันเจ้าหอจันสั้นส่องตัดนาป่องเบิงจอนหันเจ้านากรบวนหมูมาแวดอยู่นานำนอคุณทมตีไว้ลงจากรถใหญ่บาดเดียวแล้วรีบเรียวใหญ่บาดขึ้นภาษาหอคำ ยอมือตั้มต่างเก่าไว้เต่าเจ้าปราชญ์นาั้นนาสีนักาพาาผู้ห้าหาสามาถมิเศนาะอาจารย์เป็นเกา่าพงอยู่เฝ้าจอมกันเจ้าหอจันวิเตหาราชขนิ่งขวาดไปมาว่ากันมันนี่นากดเลี้ยวบิดเบี้ยงเบี้ยวเป็นสถู น่อมบอมาจู่ตีไก่นบน้อมไว้วันตาสีอาจานจาเก้าขี้บ่เมนตีดีรีเป็นคำบ่ดีสนซอปันน้อมก่อเป็นตัวเต้าเดือหัวเกิดแล้วจริงถามเจ้าดอกแก้วบุญนาวาใ้วันวานนั้นเ่าเจ้าปอกแต่เจ้าเดียวได วันนี้มาควายแต่ใส่เจ้าโคตรไม่สังจาหรือภัยจากเกาทอยบ่อจืนจ้อยหัวใจ <c oughs> เจ้าก็ใครตอบเปล่าวาคาแก่เจ้ า, า, าปาราเต้าได้จากเกาทอยแก่นังยอดซอยเตวีเป็นกมบอดีรั บ, บ, บรี หือแจ้งทีอาการว่าหฮือสีอาจารย์บาบกาไปอยู่ทาดาฟันหฮือข้าดับขันยามเจ้าบ่เฮือได้เข้ามาจูคข้าพิจารณาดูแจ้งทีบ่มีที่สังกาจริงบ่มายามเจ้าเหมือนดังเก่าวันอ่อน ตาโอผู้ทอนวีเตหราชฟังเจ้าน้อยนาดจะใครก็คขานิ่งในแน่มันว่านางเจียงจันเทวีให้วาตีเก่าฮือเจ้าโหความในเจ้าห่อใจยดใหญ่ยินโคดรหม่เครื่องกา ก็แลาตาสั้นพ อ, อยังนางหนอเทวีนอมูนีบนกว้างหันเจ้าจ้างเครื่องกาจิงทุนสาขับไว้ว่าคาแด่เต้าไทยพาปุรีนางเทวีหยดเห้าบ่ได้กล่าวจากใาครยังกำอันใดแก่ขา้า ดังเจ้าฟ้าคันิงหมายค่าเดียวได้หากู้ภัยบออู้ไครปันเจ้าหอดจันยศไ่จาวาไว้วันวาวากรรมรหัสนั้นนควรเหล่าแก่เมียหนุ่มเนาเจียงคานเสนากาอาจารย์เก่าแก่ว่ากวรบอกแกสหาย มันบ่ามายกาอูฮือแกผู้คนใดปักุตะไข่บอกเล่าว่ากวรบอกน่องเน้าที่เดียวกันกามินไข่ปันบอกเล่าว่ากวนบอกลูกเต้าในตน มันเป็นคนชลาดบอพระมาทอาธรรมเตวินไขกั๊มกาวแกว่ากวรบอกแกมานด้แม่บอกจ้า ก, ก้าอูให้ไาหู อ, อาการกัมรหัดอาจารย์ตั้งสีข่ข้าหูทีหันใสบ่บอมีผายก้าวาหูข้าหากหูด้วยพญา ปัญหาเทวาดานันไสไัยบ่อได้ไดข่ปันคาค า, านิ่งหันเกาแก่ถูกแม่นแต่ดีดีค่ะแด่เจ้าปุรีทิราช <c oughs> อันว่าเสนากานักผาตอาจารย์มันสามันหลยแลปลาเอาแม่กำลังเข้าไปยังส่วนใหญ่คือส่วนดอกไม้วิญญาณ เล่นสำราญเบียนไว่มันหันนั่งใส่ฟาดับตนคือคุณตนใส่ซอยแวนใส่ก้อยสังวานย่อมเคียงคานจูสิ่งมีการยิ่งนานำโลผาอํายาบจ้าลวดได้ขานางตายเอาขั้วตั้งหลายเสียงไข่บ่อละไว้อันใด รีเปลวไว้บอดจ้าเอาแผ่นผ้าพื้นบางสาบาบนั่งนั้นเล่าปกห่อเขารอมกันแล้วไผยพันขึ้นสูง <c oughs> ยังติอยู่เกหาเอาของนานากะใหญ่ห้อยกับไม่นาคาตันได้เฮือนมันนั่นใจนับอ่านได้ปอปี มันไขว่ตีเก่าวเหือสหายมันูหคนเดียวกันรีบเร็วไปพอจักแจ้งต่อสายตากันเจ้าปารานยศใหญ่จักตกใส่ตันดักมแก่คนอารมกดเลี้ยวบิดเบี้ยงเบียวสามารถจุงยับอาจารย์นี่เล่าจริงถูกแบบเบากองทำ เห่อคําฟังแล้วบอกการแก้วสังกาจิงจักจ่าทำเหล่าซึ่งเสนาคาเก้าอาจารย์ว่ากรรมมโหสดขานเก่าจีมีแจ้งทีสันใดมันก็ไขเก่าวแก่ว่ามีเตียงแต่สัตจังเต้าได้ฟังมันเก่าวยินโคเทาปานไฟ สิงเดียวไว้ป้องขาถคือผัวข้าวหาดชะกันนําตัวมันไปใส่ในคอกใหญ่บัดเดียวเจ้าก็เร็วต่อถอยว่าข้าแดดเต้ายอดซอยผู้บ้าน อันว่าป้ากูตาอาจารย์นั่นใสมีโรคเฮือ์นใหญ่ติดขามันเต้าจากเก่าหืนองมันหูคนเดียวยามจักเตียวมาไวยังเต้าไทยผ้าปรามันเอาผ้านาปันไวเปลี่ยนผ้าใหม่ตั้งวันเจ้าห่อจันยศใหญ่บ่ห้วยขี่ยา ก็ว่าขามันอ่อนเป็นดังต้นสำลีตีแต่มีนนองเลือดบ่อแห้งเหือดภายในกวนหื้อไก่จากเตา้าบ่กวนอยู่ดาวรงกันเจ้าหอจันวิเตหราชก่อทำปักุตาดักผาสันเดียวมันก่อเร็วกรมเกา่าว่ามีแต่เล่าตามกรรม เจ้าหอกคำยอดซอยก็คือพวกน้อยคนในนำมันไปขังไว้ในขอกใหญ่บาเตียวเจ้าจะาเลีวต่อเล่าว่าขา้าแดเต้าเจ้าผู้บ้านอันว่ากาบินอาจารย์ใบบอดเดือนดับมารอดวันใดผียักดงไพรป่าเศร้า มาส่งเข้าตัวมันมันพัดพันรำร้องดังไข่ห้องเฮือนตนร้องไหลห้นติดต่อดังมาว่เมาตายคนญิงใจมวนโม่ภัยบ่ฮู้และหันย้อนลูกมันขังไว้ในห้องใหญ่ฮับดีแซงดีสีตีเป่าเล่นมาห่อระสบเล่านานา เจ้าปราธิทรากก็ถามกามิณนักพาตเดียวไว้มันก็ไขเก่าแก้วมีเตียงแต่ตามคำเจ้าหอคำบอจาเออพวกกาชะกันนำตั๋วมันไปใส่ในขอกใหญ่สับพันนอคุณทันต่อทอยว่าข้าแด่ต้าหยอดซอยภูบาล อันว่าเทวินอาจารย์นั่นโสดละแก้วมณีโจทเร่องไรจากหอใจแห่งเต้าไปไหวดาวเพือนมันมันไข่ปันเก่าฮือแม่มันหูหคนเดียวยามจากเต้ยวมาไหวึ่ง่เต้าไทยภูมีมันพอแก้วมณีลืมเล่า รัตสมีเขาตัวมันจริงภายพันมาไวเส่งเต้าไทยพาปุรีเต้าจริงมีใจอ่อนตักมันก่อนคนใดเ <c oughs> งินคำใส่หลายแหล่เต้าไดแผ่ตกปันแก่ตัวมันจะใจบอกขาดใดดีดีย้อนแก้วมานีนั้นเล่าหากเป็นเก้านำตงัง เจ้าหอขวางวีเตหาราชก็ถามเตวินนักภาตสับปันมันก่อพิวันก่าวแกว้วมีเตียงแตด้ดีีเจ้าปุริยอดอยก็คือพวกน้อยใจไฟนำมันไปขังไว้ในขอกใหญ่บัดเดียวก็มีวันนั้นเลยนะ นิดที่ตังขีญาสังวันณนาวิเศษจาห้องเหตุมโหสถผูกทวนสิบสามกอบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล